บทที่ห้าห้าข่าวลือวันรุ่งขึ้นชีชบาก็หายไปจากวัดป่ามะม่วงไม่มีใครรู้ว่าหลอนหายไปทางไหนพวกแม่ชีพากันโล่งใจที่หลอนไปเสียได้เพียงไม่กี่วันหญิงสาวเข้ามาอยู่ในสำนักความวุ่นวายที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นหล่อนใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มคนนู้นขู่คนนี้ทําให้เขาเดือดร้อนกันทั่วหน้า คลันถูกว่ากล่าวตักเตือนหล่อนก็โต้เถียงและอ้างว่าเป็นคนสนิทของท่านพระครูขณะท่านสมพานยังไม่กล้าว่ากล่าวและฉะไหนลูกวัดบังอาจมาว่าเหตุนี้การหายไปของหล่อนจึงยังความโล่งอกโล่งใจให้เกิดแก่แม่ชีทั้งหลายเพราะจะได้ขวนขวายประพฤติธรรมดำเนินชีวิตอย่างสงบเช่นการก่อน วันพระถัดมาพวกโยมผู้หญิงที่มาทำบุญได้กราบเรียนท่านพระครูว่าเห็นนางสาวชบาเดินเฉิดอฉายอยู่ในตลาดใส่ทองหยองแดงไปทั้งตัวเที่ยวเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าหล่อนตั้งใจจะไปบวชอยู่วัดป่ามะม่วงแต่อยู่ไม่ได้เพราะถูกสมภารทำมิดีมิร้ายครั้นถูกถามว่าไปเอาเงินทองจากที่ไหนมาซื้อทองใส่แดงไปทั้งตัว หล่อนก็ปลดว่าท่านพระครูให้เป็นข้าปิดปากด้วยวิธีนี้หญิงสาวก็สามารถทำให้สมพานวัดป่ามะม่วงต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงจนสุดจะกล่าวพระธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นชอบที่จะมองในแง่ร้ายอยู่แล้วยกเว้นบุคคลผู้ประพฤติธรรมสัมมาปฏิบัติจนถึงขั้นละอคติได้ จึงจะพิจารณาด้วยปัญญาว่าควรเชื่อหรือไม่เทาว่าคนประเภทหลังนี้มีน้อยนักเรื่องราวของท่านพระครูจึงถูกนำเอาไปพูดกันอย่างสนุกปากโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไตรตรองเสก่อนว่าจริงเท็จเป็นประการใดช่วระยะเวลาไม่นานนักคนก็เล่าลือกันไปทั่วทุกคูงน้ำมีการแต่งเสริมเติมเรื่องให้ฟังดูเลวร้ายมากขึ้น ล้วนแล้วแต่จะช่วยเหยียบย่ำซ้ำเติมให้สมภารวัดป่ามะม่วงเสียหายถึงที่สุดทิฏพองโยมบิดาของท่านถึงกับต้องมาวัดเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงท่านพระครูไม่ได้พูดอะไรแต่ให้เด็กชายฟ้าแฝดเป็นผู้เล่าเหตุการณ์ให้ผู้บังเกิดกร่าวฟังตั้งแต่ต้นจนจบรู้ที่มาของเรื่องแล้วยมบิดาจึงพูดปลอบใจพระลูกชายว่า ท่านอย่าไปใส่ใจเลยอันินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนเอามีดไปกรีดหินไม่มีใครในโลกที่ไม่ถูกนินทาแม้แต่พระพุทธองค์ก็ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ท, ทั้งปวงก็ยังมีคนนินทานับประษาอะไรกับคนธรรมดาอย่างเราๆขอให้ท่านเข้มแข็งเอาไว้การทำความดีต้องมีอุปสรรค ยิ่งเราทำดีมากเท่าไรอุปสรรคก็มีมากเท่านั้นพึงพิจารณาพุทธจริยาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างจะได้มีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรคทั้งปวงอาตมาขอบคุณคุณโยมพ่อที่ให้กำลังใจไม่ต้องเป็นห่วงอาตมาถึงเวลาที่เจ้ากรรมในเวรมาทวงหนี้ ก็ต้องใช้เข้าไปตามระเบียบท่านคิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วจะได้ไม่เสียกำลังใจและไม่ท้อแท้ที่จะเดินทางต่อไปให้ถึงจุดหมายเห็นท่านทำใจได้โยมก็หมดห่วงจาไว้ว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดขออนุโมทนาขอให้ท่านมุ่งมั่นในการทำความดีสร้างเสริมบารมียิ่งยิ่งขึ้นไป โยมเห็นจะต้องลากลับเยทีโยมพ่อมาอยัางไงครับท่านถามโยมบิดาผัวแม่จำแรงเขาขับรถเครื่องมาส่งที่หน้าโบสแล้วเขาก็เลยไปธุระที่บ้านใต้เดี๋ยวก็คงมารับโยมจะไปรอเขาตรงที่เดิมอัตมาจะไปส่งโยมพ่อท่านลุกตามโยมบิดาออกไปยืนรอพี่เขยที่หน้าโบส์ สักครู่สามีนางจำแลงก็ขี่รถเครื่องมาจอดรับพ่อตาไปโดยที่ไม่ได้ทักทายพระน้องเมียเพราะเพิ่งฟังเรื่องร้ายๆของท่านมาเต็มสองหูจึงฝืนความรู้สึกไม่ได้แม้แต่จะเอ่ยปากทักทายภิกษุวัยส3สเข้าใจดีถึงสาเหตุที่พี่เขยไม่พูดด้วยรอให้เขารู้ความจริง ก็จะหายข้องใจสงสัยในข้อวัดปฏิบัติของท่านใช้น่กรรมหมดเมื่อไรท่านก็จะเป็นไทยแก่ตัวไม่ต้องถูกใส่ร้ายป้ายสีเช่นนี้อีกภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรแน่นอนสัพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามกฎของไตรลักษณ์อันเป็นสัจธรรมและสัจธรรมนี้ไม่มีวันผันเปลี่ยน ไม่ว่าการเวลาจะพ้นผ่านล่วงเลยไปนานเพียงใดก็ตามเช่นเดียวกับข่าวลือเกี่ยวกับท่านพระครูที่แพร่ระบือไปทั้งจังหวัดครั้นเวลาผ่านไปไม่นานก็ค่อยๆซาเสียงลงกระทั่งเงียบหายไปในที่สุดแม้จะตกเป็นข่าวท่านพระครูก็ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและทั้งๆ ท, ที่เกิดข่าวลือในทางลบ แต่คนที่มาวัดป่ามะม่วงก็ไม่ได้ลดจำนวนลงมิหนำซ้ำกลับเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจนผิดสังเกตท่านพระครูใคร้รู้ว่าเหตุใ ด, ดจึงเป็นเช่นนั้นครั้นใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบก็ได้ทราบความจริงว่าบรรดาผู้ที่มาวัดมีทั้งมาดีและมาร้าย พวกแรกต้องการมาเพื่อปฏิบัติธรรมสร้างความดีให้กับตัวเองโดยไม่สนใจว่าท่านพระครูจะเป็นอย่างไรส่วนพวกหลังต้องการมาตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงจะได้เอาไปนินทาว่าร้ายกันให้สนุกปากในบรรดาคนพวกนี้ก็มีพักพวกของผู้ประสงค์ร้ายรวมอยู่ด้วยพวกเขาถูกจ้างให้มาสอดแนม ว่าท่านพระครูมีปฏิกิริยาอย่างไรกับข่าวลือหากก็ต้องคว้าน้ำเหลวกลับไปเพราะท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ทั้งพวกญาติโยมก็ไม่มีผู้ใดกล้าไถ่ถามเชื่อกันว่าบุคคลผู้ทำความดีนั้นแม้มนุษย์ด้วยกันจะไม่เห็นแต่ผีสางเทวดาก็เห็นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันเป็นพุทธวจนะ เป็นสัจธรรมที่คงความจริงชั่วนิดเนวรันการทรัพที่นำลงมาลงทุนจ้างนางสาวชบาเพื่อทำงานนี้แทนที่พวกเขาจะรู้สึกสำนึกกลับโกรธแค้นท่านพระครูหนักขึ้นคิดว่าได้โอกาสเมื่อไหร่ก็จะจัดการกลั่นแกล้งเสียให้สาสม 3เดือนต่อมากรรมการศาสนาได้มีคำสั่งให้ตัวแทนชาวพุทธทั้งที่เป็นพระสงฆ์และคาฤ ห, หัสเดินทางไปร่วมประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศศรีลังกาในเทศกาลวิสาขาบูชาโดยมีหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิสกุลนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นหัวหน้านำคณะอันประกอบด้วย พระภิกษุสองรูปขาเรื่องหัดชายหญิงอีก8รวมเป็น10ทั้งหัวหน้าด้วยกำหนดจะเดินทางไปในวันพุธที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2515และกลับในวันเสาร์ที่27เดือนเดียวกันพระภิกษุสองรูปที่จะเดินทางไปร่วมประชุมครั้งนี้คือหลวงพ่อแพร่เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และท่านพระครูเจริญเจ้าคณะอำเภอรพรมบุรีท่านพระครูรู้จักหลวงพ่อแพรมาหลายปีหลวงพ่อแพรเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ย้ายจากวัดโบสถ์มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพิกลทองเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดอยู่ไม่นานเจ้าคณะจังหวัดมรณภาพ ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดแทนก่อนหน้านี้วัดพิกุนทองเป็นวัดเล็กๆและไม่ค่อยมีคนรู้จักครั้นหลวงพ่อแพรมาเป็นเจ้าอาวาสท่านได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับกระทั่งเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเมื่อทราบว่าจะได้ไปร่วมประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกณนะประเทศศรีลังกา ท่านพระครูก็ตั้งวัตถุประสงค์ในการไปไว้ห้าประการคืนหลังจากที่สวดมนต์ปฏิบัติกรรมฐานแล้วท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าการเดินทางไปประเทศศรีลังกาในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุวัตถุประสงค์หประการคือหนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้ปนมัตสการพระเขี้ยวแก้ว 2. ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปนมัตสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ 3. ขอให้ข้าพเจ้าได้พบนารีผลดังที่หลวงพ่อสดเคยทานายไว้ 4. ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปดูหมู่บ้านของชนเผ่าไทยที่ศรีลังกาที่ได้ไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หและประการสุดท้ายขอให้ข้าพเจ้าได้ไปดูหน้าตาของพวกทมินหิ น, นชาติที่ฆ่าพระฆ่าเนรตายเพราะต้องการทาลายล้าง พระพุทธศาสนาให้หมดไปจากสีลังกาด้วยอํานาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหประการ น, นี้ด้วยเทินตัวแทนชาวพุทธจากประเทศสยามได้เดินทางโดยสายการบินไทยที่ท่าอากาศยานกรุงเทพมุ่งหน้าไปยังเมืองโคลัมโบเมืองหลวงของประเทศสีลังกา มีชาวพุทธจากประเทศต่างๆเดินทางไปร่วมประชุมในครั้งนี้กว่าพันคนเมื่อถึงท่าอากาศยานเมืองโคลอมโบคณะเดินทางที่เป็นครือขัายก็ได้พักโรงแรมส่วนพระภิกษุสองรูปทางประเทศเจ้าภาพได้จัดให้พักในวัดเช่นเดียวกันกับพระภิกษุที่มาจากประเทศต่างๆกาหนดการประชุมมีสองวัน คือเวลา14นาฬกาถึง16นาฬิกาของวันที่25และ27เวลาที่เหลือนอกนั้นเป็นการนำชมสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศศรีลังกาซึ่งและแต่คณะใดจะจัดอย่างไรจุดประสงค์คือต้องการให้กระจายกันไปตามที่ต่างๆเพราะการเดินทางที่เป็นกลุ่มใหญ่เกินไปย่อมไม่สะดวกทั้งด้านการจราจร และด้านอาหารการกินหลวงพ่อแพรและท่านพระครูมาถึงวัดตอนข้าจึงเข้าร่วมทาวัดสวดมนต์เนื่องจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดใช้ภาษาบาลีในการบันทึกคำสอนดังนั้นพระสงฆ์ในนิกายเถรวาดจึงสามารถสวดมนต์ร่วมกันได้แม้จะต่างชาติต่างภาษากันก็ตาม ผิดกับพระสงฆ์ในนิกายมหายานซึ่งใช้ภาษาประจำชาติของตนบันทึกคำสอนทำให้พระสงฆ์ไม่สามารถสวดร่วมกันได้เพราะพระญี่ปุ่นก็ใช้ภาษาญี่ปุ่นพระจีนก็ใช้ภาษาจีนพระทิเบตก็ใช้ภาษาทิเบตพระเกาหลีก็ใช้ภาษาเกาหลีจึงหาเอกภาพไม่ได้แม้หลวงพ่อแพร จะไม่ได้เป็นอุปชาของพระ ค, ครูเจริญแต่สมภารวัดป่ามะม่วงก็เคารพนับถือท่านทั้งที่รู้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพยายามพูดใส่ร้ายป้ายสีท่านให้หลวงพ่อแพรฟังทำให้เจ้าคณะจังหวัดเข้าใจผิดท่านถึงกับลั่นวาจาว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมกับท่านอีกภิกษุวัยส3สรู้เรื่องราวมาโดยตลอดว่า เจ้าคณะจังหวัดไม่ค่อยชอบท่านประนันก็ไม่เคยคิดน้อยอกน้อยใจคิดเพียงแต่ว่าความจริงต้องเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำแล้ววันหนึ่งเจ้าคณะจังหวัดก็เข้าใจดังนั้นเมื่อถึงเวลาจำวัดท่านพระครูจึงทำหน้าที่บีบนวดให้ภิกษุสูงวัยที่ท่านเคารพนับถือดุจอุปชาอาจารย์นวดอย่างตั้งอกตั้งใจ เหมือนกับที่เคยปรนิบัติหลวงพ่อเดิมแต่การก่อนเจ้าคณะจังหวัดวัย60เสเศษรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวและพึงพอใจในฝีมือการนวดของภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าความชิงชังที่มีต่อท่านพระครูเริ่มจะคลี่คลายด้วยเกิดคำถามในใจว่าภิกษุผู้มีมารยาทงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เช่นนี้ จะกล้าประพฤตินอกกรีดนอกรอยดังที่ท่านได้ฟังมาจากลูกศิษย์ใกล้ชิดกระนั้นหรือเมื่อความสงสัยก่อตัวขึ้นในใจจนไม่สามารถเก็บไว้ได้จึงต้องแสดงออกมาด้วยถ้อยคำท่านพลิกกายเปลี่ยนท่านนอนควา่าเป็นนอนหงายสายตาจับจ้องที่ใบหน้าของผู้อ่อนวัยกว่าเพื่อหาข้อพิรุษแล้วจึงถามขึ้นว่า เธอมาอยู่วัดป่ามะม่วงตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สองพห้าร้อยครับหลวงพ่อแล้วชีเจียนละ่ะมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่หลังผมสักห้าปีเห็นจะได้หลวงพ่อรู้จักแม่ชีเจียนเหรอครับไม่รู้จักตัวข้อรอกรู้แต่เรื่องราวของเขาท่านเข้าใจว่าแม่ชีเจียนยังสาว พวกที่หวังร้ายต่อท่านพระครูได้ไปเล่าให้ฟังว่าแม่ชีเจียนมีลูกกับสมภารวัดป่ามะม่วงถามจริงๆเธอเธอมีลูกกับชีเจียนใช่ไหมเด็กฟ้าวแฝดที่เธอเลี้ยงไว้นะ่ะเป็นลูกที่เกิดจากชีเจียนโดยเธอเป็นพ่อของมันขอโทษนะที่ฉันต้องถามตรงๆเพราะคล้องใจมานานแล้ว ท่านพระครูไม่ได้ตก อ, อกตกใจกับคำถามของภิกษุสูงวัยตรงข้ามกับดีใจที่ท่านถามตรงๆจึงตอบด้วยสีหน้าปกติว่าผมพบเด็กฝาแฝดที่หน้าประตูวัดขณะที่ออกบินทบาตแม่เด็กคงเอามาทิ้งไว้ ผมจึงอุ้มไปให้แม่ชีเข้าเลี้ยงพวกแม่ชีก็ก็ช่วยกันออกเงินซื้อนมมาให้กินบางครั้งก็มาขอจากผมก็เลี้ยงมาจนโตตอนนี้ก็เข้ารุ่นนมแล้วความจริงก็มีเท่านี้หละครับอ้าวและทำไมเข้ามาเล่าให้ชั้นฟังอีกอย่างหนึ่งแล้วนี่เธอรู้เรื่องบางไหมเรื่องที่เขาเอาไปลือกกันว่าเธอมีลูกกับชีเจียนทราบครับ พวกแม่จีที่วัดก็ทราบมีคนมาสอดแนมแต่พอเห็นหน้าตาของแม่จีแล้วก็ไม่เชื่อเพราะแม่จีอายุมากกว่าผมทุกคนโดยเฉพาะแม่จีเจียนนั้นอายุมากกว่าผมตั้งสิบกว่าปีเอาวอย่างนั้นหรอกหรือฉันนึกว่ายังสาวนี่ก็แปลว่าฉันถูกหลอกนะสิ สิ่งที่เธอพูดมาเป็นความจริงก็เท่ากับชั้นหูเบาเชื่อง่ายเลยถูกหลอกพวกนั้นมันเก่งที่สามารถหลอกเจ้าคณะจังหวัดได้ท่านหัวเราะหือห้ออย่างอารมณ์ดีความคลางแคลงเรื่องเด็กฝาแฝดหมดไปหากก็ยังสงสัยเรื่องชีชบาหลวงพ่อยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ในกลธมสูตรว่า อย่าปรงใจเชื่อจนกว่าจะได้พิจารณาหาเหตุผลจนรู้เข้าใจด้วยตนเองแล้วจึงค่อยเชื่อภิกษุอ่อนไวัยกว่าพูดขณะทาหน้าที่นวดไปด้วยแล้วเรื่องชีชบาล่ะหลวงพ่อแพรถามอีกเรื่องนี้ผมขออนุญาตไม่เล่านะครับเพราะมีพยานรู้เห็นหลายคน หลวงพ่อไปฟังจากพวกนั้นจะดีกว่าเพราะถ้าผมพูดจะกลายเป็นว่าผมแก้ตัวไม่แต่หลวงพ่อที่รู้เรื่องแม้โยมพ่อของผมท่านก็รู้และก็ได้มาสอบถามผมได้ตนเองผมก็ให้ท่านฟังจากเด็กฝาแฝดซึ่งเป็นตัวการของเรื่องโยมพ่อก็หายข้่องใจหายสงสัยแต่ฉันอยากรู้เดี๋ยวนี้ รอไปถามเด็กชันคงอกแตกตายเสีก่อนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้เธอเล่ามาตามที่เด็กสองคนนั้นเล่าให้โยมพ่อเธอฟังกลับไปฉันจะไปถามเด็กนั่นดูอีกครั้งว่าจะเหมือนกับที่เธอเล่าหรือเปล่าเล่าไปเลยครับถ้าเช่นนั้นผมก็เห็นจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้วเด็กสองคนนั้นเล่าให้โยมพ่อฟังดังนี้ครับ ท่านเล่าไปตามที่ได้ยินมาทุกประการความที่เป็นผู้มีความจำดีจึงเล่าได้ไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่คำเดียวเด็กฝาแฝดเสอีกถ้าให้เล่าใหม่ก็จะไม่สามารถจำได้ทุกถ้อยคำเพราะสติปัญญาไม่ฉลาดปราดเปรืองเท่าท่านพระครูนั่นเองฟังถ้อยคำของภิกษุผู้อ่อนวัยกว่า เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีก็หายเคลือบแคลงสงสัยขณะเดียวกันก็นึกตำหนิตนเองว่าไม่น่าหูเบาเชื่อง่ายจนทำให้เข้าใจท่านพระครูผิดไปแท้จริงภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีจริยวัดงดงามสมกับเป็นสักยะบุตรพุทธโอรสโดยแท้ฉันต้องขอโทษที่เข้าใจเธอผิดมาช้านานอันที่จริงฉันเป็นพระผู้ใหญ่ ไม่น่าจะเชื่ออะไรง่ายๆอย่าถือโทษกรดเคืองฉันเลยนะผมไม่เคยคิดอย่างนั้นกับหลวงพ่อเลยครับภิกษุวัยส3สากล่าวคำสัตย์จริงงั้นก็ต้องขอบใจเธอนี่เป็นคนดีจริงๆถ้าฉันเป็นเธอคงทำอย่างนี้ไม่ได้เงียบไปอึดใจหนึ่งภิกษุสูงวัยจึงถามขึ้นว่า มีคนมาเล่าเรื่องฉันให้เธอฟังบ้างไหมก็มีเหมือนกันครับเขาเล่าว่าอย่างไรบ้างหลวงพ่ออย่าใส่ใจเลยครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วท่านพระครูไม่อยากให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดไม่สบายใจจึงพูดบายเบียงถ้าเธอจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันสิฉันจำได้ จำคำที่ฉันพูดถึงเธอได้ความที่ฉันเชื่อพวกที่มาใส่ร้ายเธอจึงถึงกับลั่นวาจาว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมกับเธออีกต่อไปที่ใดที่มีฉันที่นั่นต้องไม่มีเธอฉันพูดไปอย่างนี้และทำอย่างนี้จริงๆเวลาที่มีคนมานิมนต์ฉันไปในงานต่างๆฉันจะต้องถามก่อนว่างานนี้มีเธอหรือเปล่า ถ้าเขาบอกว่ามีฉันจะไม่รับนิมนต์เพราะตอนนั้นฉันเชื่อสนิทว่าเธอเป็นอย่างที่พวกเขากล่าวหาแต่เดี๋ยวนี้ฉันรู้แล้วรู้ว่าฉันถูกหลอกเธอพอจะรู้ไหมว่าคนพวกนั้นทำอย่างนี้เพื่ออะไรท่านหมายถึงพวกที่มาพูดใส่ร้ายป้ายสีท่านพระครูให้ท่านฟังก็พอจะทราบครับแต่ก็ช่างเขาเถอะผมไม่ได้ใส่ใจ และไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองผู้อ่อนวัยกว่าตอบฉันพอจะนึกออกแล้วเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองคนพวกนั้นเขาไม่อยากให้เธอเป็นเจ้าคณะอําเภอเขาอยากให้พระที่เป็นญาติกับเขาเป็นแทนต้องหาสาเหตุแน่นอนที่ทําให้เขากุกข่าวขึ้นมาแม้ฉันไม่น่าตกเป็นเครื่องมือของเขาเลยเอาเถอะต่อไปนี้ ถ้าใครมาพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเธอฉันจะฟังหูไว้หูฉันว่าเรื่องมันคงไม่ยุติลงง่ายๆหรอกพวกนั้นต้องจ้องเล่นงานเธออีกขอให้เธอหนักแน่นเขาไว้ฉันเองก็จะหนักแน่นให้มากกว่านี้เอาละฉันง่วงแล้วเธอไปนอนเถอะขอบใจที่นวดให้ท่านพระครูจึงกราบสามครั้ง แล้วลุกออกไปยังที่นอนของท่านสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็ล้มตัวลงนอนอย่างมีสติหลวงพ่อแผ่ส่งเสียงกรนดังลั่นห้องภิกษุวัยส3จึงนอนกำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอกระทั่งหลับไปในที่สุด